รวมสิกขาบทที่มีในสหธรรมิกวักหสหธรรมิกะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวตักเตือนผู้ร่วมประพฤติ ธ, ธรรมโดยชอบธรรม 2. วิเลขณะสิกขาบทว่าด้วยความยุ่งยากแห่งสิกขาบท 3. โมหณะสิกขาบทว่าด้วยการทำให้ผู้อื่นหลง 4. ปหาระสิกขาบท ว่าด้วยการทำร้ายเพื่อนภิกษุ 5. ตละสัติกะสิกขาบทว่าด้วยการเงื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นทำทีว่าจะทำร้าย 6. อมูลกะสิกขาบทว่าด้วยการใส่ความด้วยอาบัตสังฆาธิเศษที่ไม่มีมูล 7. สันจิตะสิกขาบทว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญ 8. ปุปัิสุติสิกขาบทว่าด้วยการแอบฟังภิกษุทะเลาะกัน 9. การร ม, มปติภาหณะสิกขาบทว่าด้วยการคัดค้านกรรมที่ถูกต้อง 10. ฉันทะอทัตตวาขมณะสิกขาบทว่าด้วยการไม่ให้ฉันทะแล้วไปเสีย 11. ทัพพระสิกขาบทว่าด้วยการถวายจีวรแก่พระทัพะมลบุตร 12. ปรินามณสิกขาบทว่าด้วยการน้อมลาบสงไปเพื่อบุคคล